คนทุก์ในปัจจุบันจำพวกที่ปรารถนาพระปัจเจกภูมิปัญญาทิกะศรัทธาธิกะวิลิยาทิกะเหล่านี้ก็มีมากมายนักได้รับลักทรพยากรแล้วก็มีไม่ทันได้รับลักทรัพยากรก็มีตามความยิ่งและย่อนที่ได้ลงทุนลงแรงที่แสวงมาจำพวกที่ปรารถนาเป็นสาวกซ้ายขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตก็ยังมีมากมายนัก จำพวกปรารถนาสาวกฝ่ายเอตัคขะและสุขวิปัสโกเตวิโชชะลปะินโยปฏิสัมพิทัพปัตโตก็ยังมีมากมายเป็นอเนกอนันต์หาประมาณไม่ได้ทุกๆจำพวกที่ปรารถนาโลกีญสมบัติก็ดีหรือยังไม่รู้จักปรารถนาอะไรก็ดีทำดีเรื่อยไปทำชั่วเรื่อยไปก็ไม่สามารถจักพรรณานาได้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องตรงนอก วิจัยท่านผู้อื่นทั้งนั้นไม่ถือว่าเป็นของจำเป็นสำคัญอะไรนักถ้าไม่เขียนก็ขนองมือเพื่อแกงง่วงท่านผู้อ่านอ่านมาพบเข้าขี้เขียนอ่านก็เปิดข้ามไปซะหรือไม่อ่านเลยสักวรคสักตอนก็ได้เพราะมันไม่มีรูปเหมือนหนังสือพิมพ์ประจาวันประจำสัปดาห์การอ่านการเขียนการนึกการคิดก็อยู่ในวงของกายสังขารวจีสังขารมาโนสังขารเกิดแล้วแปลดับไป เป็นระยะ ะ, ยะติดต่อกันอยู่ต้องขึ้นอยู่กับผู้โลวตามเป็นจริงหรือไม่รล้ตามเป็นจริงเท่านั้นจำพวกที่เจตนาพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติและก็ไม่แอบกินอยู่แต่ความปรารถนาและเจตนาอย่างเดียวเดือนตนด้วยตนเองหลุกตนด้วยตนเองอยู่ในข้อวัดปฏิบัติไม่ปีนเปลี่ยวเรื่องลาบยศสรรเสริญสุขภายนอกหรือคลาวเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมสรรเสริญเยือนยอง เสื่อมสุกหญิงอามิตรภายนอกก็ไม่ถือว่าเป็นเสี้ยนเป็นหนามต่อเจตนาที่ตั้งไว้ไม่เสียดายและไม่อาลัยว่าจะพลิกเจตนาและปรารถนาใหม่ท่านจำพวกนั้นสร้างบา ร, รมีเต็มตื้น ม, มาแล้วและบางท่านก็พ้นไปแล้วจากบ่วงทั้งปวงสิ้นเชิงและบางท่านก็โชกชนทอภายแจวอยู่ภายในด้านจิตใจด้วยสติปัญญาอยู่ไม่ได้ไวใจไม่นอนใจเลยแม้กายจะนอนอยู่ก็ตาม ยังไม่หลับเพียงไรก็มีสมถะและวิปัสสนากลมกลืนกันอยู่เพียงนั้นไม่เลี้ยงแบบไม่สงสยัยไม่สงสยัยมีสติปัญญาเป็นกุญแจอยู่ในมือสติมือปัญญาเปิดประตูข้ามหลงอยู่ในตัวแล้วมักจิตมักใจมักสติมักปัญญารวมพลเข้าเป็นเคียวเดียวกันไม่มีอันใดก่อนไม่มีอันใดหลังผลจิตผลใจผลสติผลปัญญา ก็รวมผลกันในขณะเดียวกันไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังพร้อมกันทันการจ้ามดความหลงในสงสารเฉพาะส่วนตัวได้ไม่ขบฏคืนไม่ขบฏตนคืนมาหลงอีกการข้ามห้วยหนองคลองบึงบางทะเลมหาสมุทรภายนอกได้ตลอดถึงข้ามประเทศนอกได้ล้านล้านมหาประเทศล้านล้านมหาสมุทรก็ดีด้วยเครื่องยนต์กลไกภายนอกก็ไม่เข้าข้ามความหลงของตนได้ ด้วยพระมหาปัญญาญาณอันท่องแพรอันทรงสัมมาญาณบริบูรณ์ในปัจจุบันจิตปัจจุบั น, นธรรมซึ่งหน้าแลนาหน้าสติปัญญากับหน้าหนังหุ่มนา้าพากเป็นคนละอันต่างกันแต่ถ้าไม่หลงหนังหุ่มนา้าผากก็กลายเป็นหน้าสติหน้าปัญญาอยู่ในตัวอีกแล้วเรียกว่าข้ามทะเลหลงหนังทั้งปวงได้แล้วทั้งทะเลหนังอดีตทั้งทะเลหนังอนาคตทั้งทะเลหนังปัจจุบันด้วย อันอื่นๆไม่กล่าวอีกก็ได้ไม่เป็นไรวิญญาณมีจริงหรือต่อไปมีเรื่องอะไรก็เขียนลงไปก็แกะตามภาษาของกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารเพราะพระนิพพานมีได้มาเขียนมาอ่านด้วยบางขั้นถามว่าวิญญาณมีจริงหรือผู้เขียนก็ต้องตอบว่าผู้ถามก็เอาโมโนวิญญาณถามผู้ตอบก็เอาโมโนวิญญาณตอบผู้เป็นกรรมการ ก็เอาโมโนวิญญาณเป็นกรรมการผู้ถามก็ไม่ควรถามผู้ตอบก็ไม่ควรตอบผู้กรรมการก็ไม่ควรเป็นกรรมการเพราะคล้ายๆกับคนที่เมาตุลาถามและตอบกันคล้ายๆกับคนที่เมาตุลามาเป็นกรรมการอีกจะกลายเป็นสภานกเขาแมวเพราะมีลูกตาโตเสมอกันแล้วและก็จกับกุญญาณวิญญาณทางดวงตาโสตะวิญญาณวิญญาณทางหู คานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นกายวิญญาณวิญญาณทางกายมโนวิญญาณวิญญาณทางใจวิญญาณทั้งหลายเป็นเมืองขึ้นของมโนวิญญาณแล้วโทละเลขด่วนหรือโทละสับด่วนลงถึงมโนวิญญาณแล้วทั้งอดีตที่ล่วงไปแล้วด้วยทั้งอนาคตที่ยังไม่มาถึงด้วยทั้งปัจจุบันที่กําลังเป็นอยู่ซึ่งหน้าด้วยถ้าหากว่า ไม่รู้เท่าวิญญาณแล้วก็เป็นวิญญาณปฏิสนธิกระพุตพือเป็นอนันตละปัจจัยเป็นอนันตละเหี้ยเป็นอนันตละผลเป็นอนันตละกิเลสเป็นอนันตละกรรมเป็นอนันตละวิบากเป็นอนันตละชาติเป็นอนันตละภพหรือจะว่าเป็นอนันตละภพอนันตละชาติก็ได้ในห่วงของปัจจยาการปฏิจจสมุปบาทที่เกี่ยวข้องกันเป็นสายโซ่โลกโกรธหลงเป็นสายโซ่หรือไม่ และต่างกันอย่างไรกับปัจจัยการตอบว่าเป็นสายโซ่อยู่โดยตรงๆแล้วและไม่ต่างกันกับปัจจัยการเลยมีความหมายอันเดียวกันผู้ที่ไม่รู้เท่าปัจจัการก็มีความหมายอันเดียวกันผู้ไม่รู้เท่าโลกโกรธหลงก็มีความหมายอันเดียวกันไม่แปลกเลยผู้ไม่รู้เท่าอดีตอนาคตและปัจจุบันก็มีความหมายอันเดียวกันผู้ไม่รู้เท่ากองนำลู ก็มีความหมายอันเดียวกันนั่นแหละผู้ไม่รู้เท่าไตร ล, ลักก็มีความหมายอันเดียวกันอีกคำว่ารู้เท่าในที่นี้มีได้หมายความว่ารู้ตามสัญญาความจํามาเคยหูก็หักปาดว่าไปเหมือนนกแก้วเจ้าขากินข้าวกับกล้วยแต่หมายความว่ารู้ตามเป็นจริงแห่งความหลุดพ้นโดยท่องแทนเป็นสัมมาวิมุตติเป็นสัมมาญาณนะมิใช่มิจฉาวิมุตติมิใช่มิจฉาญาณนะ ผลย่อมสมควรแก่เหตุจะขอถามสักคำว่าผู้เขียนอยู่เดี๋ยวนี้หรืออยู่ระดับใดเล่าตอบว่าไม่เป็นฐานะจะทุ่มเสียงกันก่อนส า, ามธรรมอันเป็นปัจจัดตังและสามธรรมสันทิฏฐิโกอันเป็นสิทธิของท่านผู้พ้นและไม่พนแต่ละลายจะรู้ตัวเองเอาเทิอนจึงเป็นธรรมพันไม่นอกเหนือถ้านอกเหนือไปกว่านี้แล้วคงเป็นธรรมย่อมแปฝงแปลงมายาจะเอาเป็นประมาณไม่ได้ สัมทิดสิโกโและปัจจัดตังในทางพระพุทธศาสนาคงจะมีขอบเขตคงหมายเอาแต่พรมจันเบื้องต้นไปคือพระโสดาบันไปจนถึงพระอรหันต์นิชา น, นแล้วจะฟั่นเสือเอาเป็นกฎเกณฑ์ไม่ได้จะกล่าวให้พิสดานแล้วโลกียวิสัยผู้เขาทำดีทำชั่วตอนไหนไหนเขาก็ลูเขาอยู่เว้นไว้แต่ผู้ไม่รู้จัก ด, ดีรู้จักชั่วเอาเสียเลยแต่ถึงกันนัน ก็ยังไม่พปัจจัดตังและสันติโกอีกเพราะเหตุว่าจำพวกที่เขาถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญเขาก็รู้ตัวเขาว่าเราถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญเลยดังนี้ฉะนั้นจึงตีความหมายได้ทั้งโลกียะและโลภุตตะละได้มอบไว้เป็นสิทธิของเจ้าตัวแต่ละหลายเท่านั่นเองคิดเห็นอะไรก็เขียนไปกอกแกตามภาษาผู้ล่าสมัย แต่แกเจ็บใจมิได้ลาสมัยไปทางใดเลยมีอยู่ทุกการสังขารธรรมทั้งปวงก็ทรงอยู่ทุกการทำอันปราศจากสังขารก็ทรงอยู่ทุกการหนทางปฏิบัติเพื่อพนไปจากสังขารธรรมก็มีอยู่ทรงอยู่ทุกการทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งที่ลาสมัยไม่ว่าทางดีหรือทางชั่วทำเอาเวลาใดได้ทั้งนั้นขอแต่เหตุวางลงไปผลแม่ไม่ประสงค์ก็ได้รับ ตามส่วนควรค่าเหตุที่สร้างขึ้นน้อยละมากจะไปทางดีทางชั่วแล้วแต่เหตุเป็นเกณฑ์เจ้าเหตุเจ้าผลก็คือใจยกเว้นพระอรหันต์เสียเพราะพระอรหันต์ไม่มีอุปาทานจะมาคอยรับได้รับเสียกับเหตุกับผลมีได้เป็นเจ้าเหตุเจ้าผลหรืออะไรอะไรทั้งนั้นเพราะได้ทรงเหตุทรงผลคืนให้สังขารทั้งพวงแล้วมีได้กลับมาจี้มาพ้นอีกเป็นธรรมทรงอยู่เหนือเหตุเหนือผลไปแล้ว เหตุใจผลใจเหตุรมผลรมก็มีความหมายและรสชาติอันเดียวกันพระอาหารหันต์มิได้ติดอยู่ในรถใจส่วนนี้และก็มิได้ติดอยู่ในรถธรรมส่วนนี้ด้วยเพราะใจส่วนอาศัยเหตุเหตุผลผลก็ดีทำอันอาศัยเหตุเหตุผลผลก็ดีเป็นใจเป็นธรรมอันยังไม่ทันหลุดผลจากความหลงโดยสิ้นเชิงใจที่ยังอาศัยหลักเหตเหตุผลผลนั้นอยู่ก็ดี ทำอันยังอาศัยหลักเหตุเหตุหผลผลอยู่ก็ดียังสูงก็เพียงพระอนาคามีเท่านั้นในที่นี้มิได้ปาลกข่มขีพระอนาคามีแต่ประการใดเลยปลาลกตามธรรมะชั้นสูงเท่านั้นเหตุใจผลใจอยู่ที่ไหนเหตุทมผลทมก็อยู่ที่นั้นสัมปยุตกันอยู่เกือบจะแยกไม่ออกได้ไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังเปรียบเหมือนของหยาบๆเช่นหลับตาและลืมตา ผลของมืดและผลของสว่างย่อมมีในขณะเดียวกันตับหลับและลืมตาโยงถึงกันไปเป็นระยะระยะถี่ยิบแม่เหตุผลของเจตสิกที่นึกคิดของจิตเล่าโยงถึงกันถี่ยิบไปเป็นตอนซอนเป็นสันติติดต่อกันอยู่ไม่ขาดวักไม่ขาดตอนเกิดดัดเร็วอีกด้วยเมื่อมีผู้เข้าไปสอบแจกยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้วยิ่งไม่มีเงื่อนต้นยิ่งไม่มีเงื่อนปลายเป็นมหาสังสารจักร เป็นมหาสังสารวัฏ เ, เป็นมหาอนันตละปัจจัยเป็นมหาอนันตละเหตุเป็นมหาอนันตละผลเป็นมหาอนันตลกภเป็นมหาอนันตละชาติเป็นมหาอนันตละอวิชชาไม่มีที่สิ้นสุดลงได้ง่ายๆและก็ไม่พ้นความสงสัยในธรรมตอนนี้อีกด้วยและก็ไม่เห็นชัดแจ้งในตะไลลักอีกด้วยจะเห็นได้บ้างก็ในกายหยาบๆเท่านั้น แต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่เห็นกายบ้างเสียเลยเมื่อลูตามเป็นจริงของกายชัดแล้วสิ่งอื่นๆก็พลอยลูตามเป็นจริงไปเองแต่ต้องเข้าใจว่ากายไม่ได้เป็นเจ้าเหตุเจ้าผลของบาปบุญุณโทษอยู่ต้นเหตุต้นผลเป็นเพียงรับใช้จิตเจตสิกและกิเลสเท่านั้นยกเว้นพระอรหันต์เสียเพราะไม่มีกิเลสจะมาปลอมแอบใช้ด้วยจิตที่เศ้ามองหรือผ่องแจ๋ว ท่านผู้ต้องการจะพ้นทุกโดยด่วนในปัจจุบันนะชาติปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมแล้วจะไม่เอื้อเฟือไม่อารยไม่รักไม่ปฏิบัติเนืองๆยิ่งๆในพระอาณาปานสติลมหายใจออกเข้าแล้วนั่งคอยนอนคอยหลั่ทนาอยู่เฉยๆย่อมเป็นไปได้ยากและลมออกเข้ายาวหรือสั้นจะไม่ใช่กายอย่างไรก็กายานุปัสสนานั่นเองและก็ธาตุดินน้ำไฟลม ที่สมดุลกันอยู่นั่นเองจึงพอหายใจออกเข้าได้ลมหายใจออกเขา้าบางทีเสวยสุขบ้างทุกบ้างอุเบกขาบ้างก็เวทนานุปัสนานนั่นเองลมหายใจออกเขา้าเห็นจิตที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วหรือกลางกลงก็จิตตานุปัสนานั่นเองลมหายใจออกเขา้าเห็นความไม่เที่ยงแห่งกายสังขารจิตตสังขารก็ธรรมานุปัฏนานั่นเองไม่เลี้ยงแบบก็ได้ไม่เป็นลดอก แล้วกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดียกขึ้นสู่เมืองขึ้นของไตร ล, ลักษณ์ให้กมกืนกันเป็นเชือกสามเสี่ยวเป็นเป้าอันเดียวกันไม่ต้องแยกไม่ต้องเลี่ยงไม่ต้องขยายเห็นอยู่นาซึ่งนาซึ่งสติปัญญาพร้อมกับลมออกเข้าไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังติดต่ออยู่พิจารณาอยู่ไม่ขาดสายความเพลินความเมาความดิ้นลนในโลกทั้งปวงทั้งอดีตอนาคต มันจะรวมพลมาจากประตูใดเพราะปัจจุบันมีอำนาจเหนือโลกอดีตเหนือโลกอนาคตแล้วมีหน ำ, ำ้ำจะได้โตตอบกับปัจจุบันว่าปัจจุบันเป็นเมืองขึ้นของใครและใครมายึดถือเอาเป็นเจ้าของจะได้ตลุมบอนหันแหลกกันในปัจจุบันนั้นแต่อย่าได้ลืมลมออกเข้าเพราะลมออกเข้าเป็นแม่เหล็กอาจารย์เดิมลมจะละเอียดสัเพียงใดก็อย่าได้ลืมเลยเพราะจิตจะพุงตันเป็นว่าวเชือขาด จะเป็นช่างเหล็กที่ตีเหล็กไม่ถูกทั่งเหล็กจะ ก, กระเด็นใส่หน้าข้อนี้สำคัญมากนักหนานักหลบมีใช่นักหลบแต่นักภาวนากำหนดลมออกเข้ามักจะไปเสเวอยู่แต่ลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าแล้วลมหายไปไม่ปรากฏว่ามีลมเลยเมื่อหมดกำลังแล้วขอนออกมาไม่ค่อยจะได้ความอะไรเฉพาะตนได้ความแต่เพียงว่าสบายกายสบายใจชั่วคราวเลยกลายเป็นนักหลบมีใช่นักหลบ ปัญหาของจิตใจยังข้างแขวนอยู่อับโขแท้จริงเข้าไปแบบนั้นเพียงไม่รู้ลสชาติเท่านั้นจะติดอยู่เพียงแค่นั้นก็ไปไม่รอดอีกถ้าไม่พักแบบนั้นก็ไม่ได้แต่มันพักบ่อยก็ไม่ได้งานอีกเพราะงานยังไม่เสร็จและเวลาของชีวะแต่ละชาติละชาติก็มีน้อยและคำว่าชาติใหญ่ๆ ห, ห, หมายถึงชั่วขณะลมออกเป็นชาติหนึ่งลมเข้าเป็นชาติหนึ่งหนึ่ง ของส่วนใจสังขารส่วนจิตตสังขารนั้นเป็นชาติอันละเอียดเร็วนักเกิดดับติดต่อกันเร็วนักอนิจจาอันละเอียดมากมายแท้แทเมื่ออันิจจาอันละเอียดเข้าสักเพียงไรลก็ดีทุกขาอนัตตาก็ละเอียดเข้าเป้าเดียวกันขณะเดียวกันถ้าสงสัยไปทางอื่นก็ยิ่งตื่นไม่เห็นชัดได้เชื่อตอนเองไม่สนิดได้ย่อมขบฏตนคืนเองผู้ที่ทิ้งกรรมาฐานเดิมที่ตนตั้งไว้ ย่อมไปตามนิมิตภายนอกต่างๆนานา น, านิมิตแปลว่าเครื่องหมายสารพัดจะลู่จะหมายไปหมายกับเหมือนก็พอเหมือนเหมือนหมายหมายนี่เองมีใช่ตัวจริงดอกได้เพียงแค่นั้นแหละและผู้ติดนิมิตอิงตับปุปปจารภาวนาไม่ค่อยลงคนได้ไง่ายๆนะนี่หน ำ, ำํากาวตูในใจให้ผู้เทศยบว่าตนภาวนาไม่ดีเท่าเขาแล้วมาคุมเทศยบเขาไอ้ที่แพ้นั้นเขาได้ตกนรกมาก่อนในตอนนี้แล้ว และได้คนไปแล้วและก็ไม่ว่าใครๆในโลกถ้าไปติดอยู่ในชั้นใดๆแล้วแกะยากเพราะเป็นของบ่งให้กันไม่ได้เหมือนหนามเว้นไว้แต่เห็นโทษตนเองในชั้นนั้นจึงจะกลับตัวได้เองบางลายพอกลับตัวได้ก็บ่ายค่ําไปเสียบ่ายก็คือแก่มากไปแล้วค่ําก็คือตายไปเสียแล้วแต่เนิ่นนานวันอาณาปานสติเป็นกรรมฐานในพระพุทธศาสนาชั้นที่หนึ่ง เป็นยอดแห่งกรรมฐานทั้งปวงด้วยผู้เจริญชำนาญแล้วจะดึงกรรมฐานและวิปัสสนาภาวนาปัญญามารวมเข้าก็ได้ไม่ขัดข้องไม่สแสลงเลยเช่นนิโรธความดับตัณหาเป็นธรรมอันละเอียดจะดึงเข้ามาให้เห็นพร้อมกับลมออกเข้าก็ได้ทั้งนั้นยาขนานเดียวแก้โลกได้ตั้งล้านล่านอย่างก็คือพระอาณาปานสตินี้สามารถบรรเทาและแก้สับพักิเลสสับพักตัณหาได้ ตามเหตุผลของท่านผู้จเจริญน้อยและมากได้โดยตรงๆไม่อ้อมคอมเลยขอแต่ทุ่มเทศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาลงให้สมดุลกันติดต่อไม่ขาดสายนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายเมาในความหลงอันดองขันธ์าสันดานมานมนานก็จะปรากฏเป็นสัมมาวิมุตติเป็นสัมมาญาณโดยแน่แท้ ไม่ต้องสงสัยเลยยาตีตนตายก่อนไข่ก็แล้วกันยา ก, กล่าวตู่ตนว่ามรรคผลนิพพานหมดไปแล้วมุ่งกล่าวตู่พระพุทธศาสนาแต่ถูกกล่าวตู่ตนไม่รู้ตัวอีกด้วยผู้ไม่แยกายในอาณาปานสติแล้วฉไห น, นจะเห็นเจตสิกที่เกิดดับได้ง่ายๆเราเพราะตามลมเข้าออกไม่ถึงจิตและเจตสิกเมื่อไม่เห็นความเกิดดับได้ละเอียดฉไห น, นจะเห็นตรลักละเอียดเล่านิพพา ความเบื่อหน่ายคลายหลงจะเปิดประตูและหน้าต่างช่องใดให้ปรากฏแก่ตาปัญญายานเหล่าย่อมเป็นไปไม่ได้ทั้งโลกอดีตทั้งโลกอนาคตทั้งโลกปัจจุบันด้วยพระบรมม า, า, าสดาเทศนาสั่งสอนด้วยทรงพระมหากรรุณาที่คุณอันหาประมาณนม้ได้จนครบส5สิบห้าพระพันษาก็หนักแน่นลงในไตร ล, ลักษณ์มากกว่าพระพุทธภาษิตอื่นๆเพราะเป็นธรรมอันจะหลุดพ้นได้าย เรื่องเล็กๆน้อยๆไม่เป็นล่ำเป็นสันและก็เป็นเรื่องที่ควรเขียนบ้างบางทีมีผู้ชอบอ่านการฉีดเขียนในสำนักปฏิบัติและก็เป็นหัวหน้าด้วยในสำนักก็ต้องได้สนใจอยู่มิใช่น้อยเลยบรรดาพิสุสัมาเนนผู้มาอาศัยอยู่ด้วยเพื่อปฏิบัติธรรมต่างก็มีสิทธิสังเกตทุกแง่ทุกมุมในสำนักนั้นๆสิ่งที่ไม่เหมาะสมอันเกินพอดี แม้จะไม่กลับเอาไปพระนิพพานด้วยก็จริงแต่ก็ต้องได้พิจารณาอยู่นั่นเองเพราะคนแต่ละคนย่อมมีอิสระพิจารณาทุกๆด้านนิะนั้นแล้วก็จะเป็นคนฉลาดไม่ได้หัวหน้าของหมู่ในสังคมหนึ่งๆเป็นของสำคัญมากย่อมเป็นเป้าสายตาของคนทั่วไปอยู่โดยตรงๆการติชมการเลเพนามเป็นของมีค่าอยู่ประจำโลกก็จริงแต่ก็ต้องรักษาในสิ่งที่ไม่เหลือวิสัย การรักษากับการปฏิบัติก็คงมีความหมายอันเดียวกันเพราะรักษาในสิ่งที่ควรรักษาปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติเว้นในสิ่งที่ควรเว้นตรงต่อเวลาในสิ่งที่ควรตรงต่อเวลาปฏิบัติบันจงในสิ่งที่ควรปฏิบัติบันจงทรงตัวและก้าวหน้าหาธรรมชั้นสูงไข้ควรใจไข้ควรทำการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อทดสอบให้ตนและอนุชนรุ่นหลังนี้ ย่อมไม่นิยมการเวลาของไวอ่อนปันกลางหรือแก่ชราแม้ถึงจะเดินไม่ได้ไปไม่เป็นนอนคาที่ก็ต้องมีทำเป็นเครื่องคำนึงด้วยใจอันพอพึงเท่าที่ควรแก่ตนข้อวัดของใจภายในกับทาภายในนี้ถ้าห่างเหินกันแล้วย่อมเหลืองเจิงเวลาของกาเป็นเวลาภายนอกก็ว่าได้ไม่ผิดเวลาของใจกับทำเป็นเวลาภายใน สังสรรค์กันอยู่อย่างละเอียดลึกซึ้งสติปัญญาแก่กลา้าจึงจะมองตามเห็นได้จึงจะรู้จักเลือกเป็นสิ่งที่ควรและไม่ควรอย่างจำแจ้งชัดเจนได้สติปัญญาอันชอบจึงจะเลือกใจเลือกธทมที่ชอบได้โดยเฉพาะของส่วนใจของส่วนธรรมที่ชอบมิฉะนั้นแล้วก็จะคืนทั้งกระดูกและก้างแบบไม่มีการเลือกการเป็นและกา ร, ค, รคล่ายควรก็มีความหมายอันเดียวกันคือเลือกเป็นใจ เลือกเป็นธรรมใคร้ควรใจใคร้ควรธรรมไม่ว่าสิ่งใดๆในโลกหรือในธรรมถ้าเอาธรรมเป็นแว่นใค่้ควรลงมีให้ปีมเดี่ยวของธรรมหลายๆรอบแล้วไม่ค่อยผิดพลาดในตอนนั้นนั้นแม้จะผิดพลาดบ้างก็มีประตูแก้ที่ผิดไม่มีประตูแก้นั้นเพราะขาดการพิจารณาก่อนลงมือทํำการลงมือทํามีได้หมายแต่เฉพาะมือภายนอกอันเป็นมือเนื้อกระดูกเส้นเอ็นหนัง หมายเอามือสติมือปัญญาอันสมดุลกับใจกับธรรมการพิจารณาจะตัดสินใจเอาตามอัตโนมัติไปโดยไม่มองดูธรรมแท้ของพระองค์ที่กล่าวไว้ดีแล้วก็ไม่ได้ถ้ากิเลสเจ้าตัวยังหนาแน่นอยู่ความตกลงใจจะตัดสินเอาเองก็เขา้าข้างกิเลสอีกไม่รู้ตัวด้วยแว่นส่องทางส่องใจผู้ที่จะไขคควลตัดสินใจตัดสินทำส่วนตัวเองได้ไม่ค่อยจะพลาดมาก ก็คือท่านผู้มีกิเลส ข, ขาดจากสันดานไปโดยเอกเทศในเบื้องต้นของผมจ์ในทางพุทธศาสนามีพระโสดาบันเป็นเทนขึ้นไปต่ำกว่านั้นลงมาย่อมสุ่มสี่สุ่มห้าและก็มักจะตีตนสูงเกินภูมิจิตเกินภูมิธรรมของตนเท่าที่มีอยู่ทรงอยู่ในปัจจุบันธรรมตามักจะเป็นจิตกราธรรมดาที่ไปเก็บเอาขนหางและขนงอนของนกยุงที่ล่วงหล่นอยู่ตามป่า มาแจกแสงขนของตัวเพื่อให้วิเศษกว่ากาทั้งหลายย่อมเป็นของเทียมเป็นของแท้อย่างไม่ได้เป็นเพียงของปลอมอยู่โดยตรงๆนั่นเองแม้สมัยโลกปัจจุบันเขาทำดาวเทียมได้แต่เขาก็บอกล่วงหน้าอยู่แล้วว่าดาวเทียมมี่ใช่ดาวจริงเขาก็เอาขอนสวมหัวเขาพอดีพองามพอเหมาะกับหัวเขาอยู่แล้วและก็จะเป็นดาวเทียมดาวจริงก็ตามมันไม่ใช่กิเลส ด, ดอก ผู้ไม่รู้เท่าดาวเตียมดาวจริงแล้วติดอยู่ในคําว่าดาวๆาวนั้นจึงเป็นกิเลสเพราะติดสมมติอันนอ ก, นอกมันนอกออกมาจากใจแท้ออกมาจากสังขารธรรมแท้ฝ่ายวัตถุที่จิตปรุงแต่งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องสังเวยบูชาพระอนิจจังสัพพะไตโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นของธรรมอนิจจังทำฝ่ายสังขารก็หมายอันเดียวกันเมื่อสังขารเต็มยัดเยียดเบียดเสียดอยู่ในสัพพะไตโลกธาตุ ก็เป็นหน้าที่จะได้อาศัยปุญญาภิสังขารเป็นปัจจัยอาศัยปฏิบัติเพื่อเป็นสเสบียงเดินทางคือคำว่าบุญบุญในเบื้องต้นของผ ม, มจันแห่งพุทธศาสนาอันเป็นโลกุตละบุญที่มีขอบเดขตกฎเกณฑ์มีโสดาบันบุญเป็นต้นไปบุญต่ำกว่านั้นลงมาเป็นโลกียะบุญเป็นบุญที่ไม่แน่นอนพระมีหลายบางทีบางทีก็ก้าวหน้าบางทีก็ทรงตัว บางทีก็ต่ำลงไม่เหมือนภูมิบุญภูมิใจของพระโสดาบันภูมิจิตภูมิใจภูมิบุญภูมิธรรมของพระโสดาบันเป็นมหาภูมิที่ก้าวหน้าโดยท่ายเดียวไม่มีคติภูมิจะตกต่ำเลยข้ามปุถุชนคนหนาไปแล้วปิดอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเปรตทุกๆจําพวกพร้อมทั้งสัตว์เดรัจฉานทุกๆจําพวกแล้วสุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติดีเว้นส่วนหยาบๆเหล่านี้ไปโดยสวัสดีภาพแล้ว ไม่เสียดายไม่อาลัยว่าจะล่วงละเมิดเป็นผู้มีแว่นสองทางสองใจแบบไม่มัวมองเห็นความสุขอันแท้จริงได้อันตั้งอยู่ข้างหน้าเป็นระยะระยะจึงมีเงื่อนไขไม่เสียดายไม่อาลัยว่าจะถอยหลังโสวนโสเวียนในโลกสงสารบางท่านศีลหยังไม่บริบูรณ์เลยการเลี้ยงชีวิตก็ยังสุ่มสีสมหะยังขายลูกขายเหรียญถือวันจมวันฟู ตลอดถึงอบายยมุกทุกๆประเภทก็ไม่ละเวน้นการค้าขายก็ค้าขายเครื่องประหัตปรหารค้าขายสัตว์เป็นและสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษบ้างและยังถือมงคลตื่นข่าวนานาอเนกเช่นตื่นข่าวว่าเล่จะออกตัวนั้นตัวนี้วิชาสายยาศาสตร์ต่างๆครบบาปมิดครบมิตรปฏิรูปคนเทียมมิดไม่ใช่มิตรแท้ พบมิตรชักชวนในทางจิบหายพบมิตรชักชวนดื่มน้ําเมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนเที่ยวดูการละเล่นและให้มัวเมาในการเล่นชักชวนเล่นการพนันไม่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาในพุทธธรรมสงฆ์ไม่เชื่อผลศีลผลทานพอพร้อมทั้งสติปัญญาก็ยังอ่อนอยู่มากบางคราวบวงสวงผีสางเทวดามีใจอาฆาตพยาบาทถูกเวรด่าแช่งตัดให้ถึงความพินาศ นึกในใจหรือจนออกปากขี่หึงหรือลิศยาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแต่แต่แต่สําคัญตนว่าเป็นพระโสดาบันความสําคัญอันนั้นก็เป็นโมคะโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยพระโสดาบันแบบนี้ควรให้คะแนนว่าพระโสเดาโสดันโสเมาโสดมัวโสดขุนจนเป็นตมโสวนโสเวียมในโลกสงสารไม่มีชิวเลยผู้เขียนต้องปล่อยความฟุ้งซ่านออกไป ถวายต่อพระอนิจจังผู้ท่านนั่งปันลังเฝ้าัพพระใตโลกาอันเป็นนายหน้าของกองคนไตรล์ถ้ารู้ประจักษ์แจ้งอยู่บ้างแล้วคงไม่คาดค่วในธรรมความดีไม่ใช่มาจากดินฟ้าอากาศการฉีดขีดเขียนเขียนเป็นเอกสารและตำราดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับท่านผู้เลือกเป็นพิจารณาเองกฎของการข่มเหงให้ยอมเชื่อไม่มีในทางธรรมของพระพุทธศาสนา แม้จะยอมเชื่อด้วยการแก้ลำคาญก็ไม่นานย่อมขบฏคืนจิตใจก็ไม่ชืนเหมือนศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาอันเป็นเองมนุษย์จะเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นชั้นๆ ข, ของจิตใจได้ก็ด้วยใจอันเห็นชอบปฏิบัติชอบประกอบธรรมอันดีเป็นลำดับสูงส่งขึ้นไปคว า, ามดีและไม่ดีไม่มาจากดินฟ้าอากาศภายนอกที่ชาวโลกแสวงถ้าหากว่ามาจากดินฟ้าอากาศภายนอกแล้ว ตีไหนฟ้าฝนแรงหรือท่วมพระอริยเจ้าก็ต้องลดตาแหน่งมาเป็นปุตุชนคนหนาก่อนตีไหนฝ้าฝนดีจึงสวมมงคุดเป็นพระอริยเจ้าเมื่อไม่เล่าไม่ว่าก่อนกายสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารก็พาไปเขียน ว, นวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ท่านผู้ที่ทรงพระสติปัญญาย่อมสนุกดื่มอุเบกขาแต่ถ้าติดอยู่แต่อุเบกขาในชั้นต่ําหรือชัานิปัสนาแล้ว ก็จะกลายเป็นอุเบกขวางเพราะจะขวางทางอุเบกขาของอหรหันต์ย่อมเป็นหน้าที่ของท่านผู้ต้องการเรียนจบปฏิบัติจบพ้นจ บ, จ, บจะโอปนาโกยิกะทั้งนั้นปลาลบเรื่องใหม่ต่อไปแต่ก็เขียนเป็นเรื่องเก่าเพราะจิตตสังขารอันเก่าทำก็อันเก่ามีได้อันใหม่มาจากไหนเอสธรรมโมตันันตโนพระธรรมเป็นของเก่า คำว่าของเก่ามีทั้งดีทั้งชั่วปะพลกันอยู่ต้องขึ้นอยู่กับท่านผู้เลือกเป็นเอาแต่บางท่านว่าจะเลือกเอาทองดีไปถูกทองเก้ก็มีเลือกเอาผักดีแต่ไปถูกผักมีตัวบุ้งก็มีเลือกเอาของดีไปถูกของดีก็มีมากมายและคำว่าอาลหัฮนก็เป็นสัตว์เก่าคำว่าปุตุชนก็เป็นสัตว์เก่ามืดกับสว่างก็เป็นของเก่าผู้ดื่มสุราก็มีมาแต่เก่าแก่ ผู้เว้นจาสุลาก็มีมาแต่เก่าแก่ก็หายโตแยงในที่ว่าของเก่าแล้วละ่ะเมื่อหายโตแยงในเรื่องของเก่าแล้วก็หายโตแยงในเรื่องของใหม่การยืนยันว่าเป็นของเก่าเป็นฝ่ายทำปัลลมัตนการยืนยันว่ามีทั้งเก่าทั้งใหม่เป็นฝ่ายสมมติเพราะสมมติมีการหมายความตื้นกว่าปรลละมันคล้ายกับน้ําลึกตื้นและใสสะอาดและจืดและเยน็นดีต่างกันไปถ้าหากจะโตแยงได้ แต่ไม่มีประโยชน์แย้งว่าถ้าไม่มีของเก่าของใหม่แล้วทําไมจึงไม่ไปกินอาหารที่บูดลาเสียเล่าทําไมจึงไม่ไปเอาผ้ากี่เลี้วมาปากกันนุ่งห่มเล่าเอาผ้าใหม่มาใช้ทําไมและพูดกล่าวว่าเป็นของเก่านั้นเป็นธรรมอันลุ่มลึกมากไม่ใช่ว่าผู้ยืนยันว่าของเก่านั้นเขาจะไม่รู้ของใหม่ตามสมมติเลยพูดเพื่อให้ชวนสำเหนียดด้านปัญญา เป็นอุบายเพื่อไม่ให้หลงของใหม่และของเก่าอยู่ในตัวธรรมดาคนมีกิเลสมากชอบจะติดอยู่ในของที่สมมติว่าใหม่ๆล้านเปอร์เซนเมื่อหลงและติดของใหม่ก็หลงและติดของเก่าอยู่ในตัวเมื่อหลงสมมติก็ต้องหลงวิมุติเมื่อหลงได้ก็ต้องหลงเสียเมื่อหลงหนังก็ต้องหลงกระดูกเมื่อไม่หลงหนังก็ไม่หลงกระดูกเลยไม่ต้องกล่าวไปใหในตอนนี้ก็ได้ เรื่อ ง, ลงหลงหลงไหลไหลหล่ำหลี้ีย่อมไม่มีเงื่อนปลายอาวิชชาถ้าหากข้ามทะเลหลงด้วยพาัสติพรัปัญญาอันท่องแท้โดยสิ้นเชิงได้แล้วด้วยลัดนิ้วมือเดียวก็ข้ามโลกได้จะเอาเครื่องย น, นต์กลไกหรือห่อไปบินไปภายนอกเร็วเท่าใดสิ้นเว ล, ลาล้านปีก็ข้ามโลกไม่ได้เลยผู้หลงผู้ลูมีคำถามว่าการข้ามความหลงจะข้ามด้วยวิธีไหนได้หนอ ตอบย่อๆพอฟังได้ไง่ายๆว่าข้ามผู้รู้ได้โดยไม่ยึดถือว่าผู้รู้เป็นเราเขาสัตบุคคลตัวตนในขณะจิตใดๆเลยแล้วได้เรียกว่าข้ามความหลงได้โดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงถามต่อไปว่าผู้รู้กับสังขารต่างกันอย่างไรผู้รู้ก็คือสังขารอันละเอียดอันประณีตนั่นเองเพราะเกิดอย่างละเอียดดับอย่างละเอียดมาก เกิดขึ้นแปลดับพร้อมกันในขณะเดียวไม่มีอันใดก่อนไม่มีอันใดหลังเลยติดต่อกันเป็นพื้นสติปัญญาไม่แนบสนิทอยู่กับผู้รู้แล้วก็ยากจะรู้ได้โดยท่องแท้ว่าเกิดดับเป็นเมื่อผู้รู้เกิดดับเป็นอย่างว่องไวละเอียดละ อ, อ่แล้วจะไปเป็นคติปัญญัติว่าผู้รู้เป็นพระนิพพานนั้นก็ย่อมเป็นงูกินหางตนอยู่นั่นเองย่อมเป็นไปไม่ได้พระนิพพาน มีได้มาเป็นลูกน้องของผู้รู้มีได้มาสังสรงค์กับผู้รู้อีกด้วยและมีได้บามบัรญักว่าศูนย์หรือไม่ศูนย์เอาโขนสวมหัวใส่ตนอันใดเลยเป็นเรื่องของผู้รู้ไม่รู้เท่าเงาของตัวสังหากจึงกลายเป็นพบเป็นชาติอย่างละเอียดไม่รู้ตัวด้วยซำ้ำทำที่ถูกถามตอบกันเป็นทาหมู่ทาคู่ที่สังสรค์สังหามีรสชาติาอันจริงผู้รู้อยู่เป็นเครื่องหมาย มิฉะนั้นก็ไม่มีเงื่อนไขจะอธิบายโต้ตอบและถามได้ต้องอาศัยขันทาวิบัติและผู้รู้ตอบถามกันเป็นธรรมะพระนิพพานแท้มีได้มาตอบถามกับท่านผู้ใดยกปูชาหอนหยับหยับดินฟ้าอากาศไม่ได้มาตอบถามกับผู้รู้และผู้ไม่รู้ฉันใดพระนิพพานก็ฉันนั้นพระนิพพานไม่ได้มากล่าวทีว่าประวัติตนเองและผู้อื่นให้เป็นคำภีร์อะไรเลยผู้รู้ เมื่อลู้ถูกปฏิบัติถูกก็เป็นเพียงทางเดินเข้าไปสู่พระนิพพานเท่านั้นนิได้เป็นเนื้อธรรมนิพพานแท้ถ้าหากว่าตายคาผู้ลู้มีอุปาทานอยู่ในผู้ลู้และจิตใจอันเด่นดวงก็ไปเกิดในพรมมโลกที่ไม่มีลูกยังไม่พ้นจากชาติชลามรณะได้แท้นักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาผู้หวังพ้นทุกข์ในสงสารโดยด่วนแน่แท้มักจะติดคาอยู่ที่นี่เป็นส่วนมากนักแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่า ไม่มีท่านผู้พลไปจากนี้ได้เป็นเพียงมีมากน้อยกว่ากันเท่านั้นเขาโคกับขนโคแม่อลหันตาฉีนาตะวะเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วมากกว่าเม็ดหินเม็ดายในค้องมหาสมุทรสี่หรือห้ามหาสมุทรหรือมากกว่านั้นก็จีบรรดาที่ยังเหลืออยู่นั้นจะขี่ อ, อสงไัยมหาสมุทรเราเพราะเขาโคกับขนโคดังปลาลกมาแล้วนั้นส้ำส้กักซ